หน้าที่ตรงนี้ในะทํานองแบบเนี้นะฮว่าเรานั่งอยู่ที่นี่ยังไม่ยอมเกรงใจอีกเนี่ยยังทีน้มิท่ามันจะเข้ามาเนี่ยศรัทธาต้องคอยชีย้ไหมบอกมาทําไมนี่ต้องบอกอีกไหมทีน้มิท่าก็ดีหรือว่าบาบากรสรนทั้งหลายมาก็บอกมาทําไมเชิญคุณออกไปอย่างเนี้ถ้าเขาไม่ออกก็ดึงแรงเลยอยู่ดึงแรงๆเลย เพรเขาไม่เกรงใจแล้วตรงนี้แสดงว่าเขาไม่เกรงใจแล้วเขาพร้อมจะกดขี่แล้วแล้วตรงนี้ก็คือเจตานานี่ก็ขอก้อกระตุ้นเตือนเป็นกรรมอย่าลืมนะว่าเราได้ทํากรรมกันตลอดเลยนะเมื่อชาวนะขึ้นสู่วิถีเนี่ยเป็นกุศลกรรมบ้างเป็นอกุศลกรรมบ้างเมื่อเข้าใจในเรื่องของทานอกุศลศีลกุศลก็สมาทานใจนั้นให้เป็นไปกับกุศลใช่ไหมศีลกุศลให้ต่อเนื่องตรงนี้ก็คือว่าเจตานาศีลเป็นเจตสิกกรรมเป็นกรรมด้วยเป็นกิจพิเศษ ในการที่จะทําหน้าที่ในการปลูกเม็ดพืชนะในการที่จะทําหน้าที่เป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อการได้เสวยผลต่อไปในอนาคตฉะนั้นเมล็ดพันธุ์ที่เราปลูกกันไว้แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมากมายนะกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยถือว่าปลูกเข้าไปนะ เจตนาที่เป็นไปกกุศลทั้งหลายเราเนี้ยถือว่าเราได้เพาะเมล็ดพันธุ์ปลูกเมล็ดพันธุ์อย่างต่อเนื่องอย่างยาวไกลแล้วถ้ามันเกิดเพาะเมล็ดพันธุ์ที่เป็นบาปขึ้นมาในการต่อไปก็บาปอกุศลธรรมก็ตามเล่นงานเราเลยทีนี้นะทีนี้เจตนาของบุคคลผู้วิรัตอยู่จากทุจริตทั้งหลายมีปานาติบาเป็นต้นเนะ่ยเจตนาเป็นประธานที่ประกอบกับวิรัตินี่นะวิรติสามยศสามยศตังเนี่ยนะประธานภูตังเจตนา คือว่าเจตนะมหาที่บอกว่าเจตนาขวัญขวายของบุคคลผู้ทําวัดปฏิบัติที่เต็มอยู่อันนั้นก็เป็นเจตนาศีลไปอันนั้นก็จะกล่าวในรายละเอียดเดี๋ยวข้างหลังจะว่าไปนะประการต่อมาพูดถึงในเรื่องของว่าเมื่อกี้ขับเน้นเกี่ยวเรื่องของเจตนานะบอกว่าท่านทั้งหลายใช้เจตนาให้เป็นแล้วเมื่อเจตนาใช้เป็นแล้วเนี่ยที่จะสามารถกระตุ้นเตือนชักนํามสมยุทธธรรมเนี่ยให้ทําหน้าที่ได้อย่างชัดเจนแล้วเนี่ย นมามธรรมที่เป็นกุศลมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นต้นก็จะได้ทำกิจของตนได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เริ่มชำนาญแล้วต่อไปบาปก็ไม่สามารถเข้าสู่ใจได้ง่ายแล้วส่วนเจตสิกศีนเจตสิกศีนตรงนี้นะพูดถึงกรณีแห่งวิรตีเนะี่ยเอาวิรตีขึ้นก่อนนะวิรตีเนี่ยสัมมาวาจาสัมมากรรมตาและก็สัมมาชีวะถ้าใช้ ตัวสัมมาวาจาเนี่ยตัวนี้เป็นวิรติที่งดเว้นจากบาปทางวจีกรรม4ี่ประการคืเ อ, อเวลาเราสมาทานศีในใสังเกตตัวนะจะมีปะงดเว้นจากการปานาติปาตาเวรมณีอาทินาทานาเวรมณีใช่ไหมมุสาวาทาเวรมณีให็นไหมไอตัวมุสาวาทาเวรมณีพอต่อไปข้ อ, ขอต่อไปก็เป็นสุราเมรยาดึก เ, เป็นการเมเป็นการเมษสมิชฌาแล้วก็เป็นข้อสุราเมรยา ถามว่าทำไมงดเว้นเฉพาะมูสาวาจอย่างเดียวเ้าศีลห้าสีลแปดก็เว้นแบบนี้ทําไมงดเว้นแต่เฉพาะมูสาวาจอย่างเดียวอันนี้ท่านกล่าวมุสาวาจเป็นประธานก็ไว้นะแต่โดยข้อเท็จจริงต้องงดเว้นจากปิสุนาวาจาด้วยงดเว้นจากการพูดส่อเสียดด้วยพูดคนให้แตกเล้ากันเนี่ยแล้วงดเว้นจาก พรุศวาจาด้วยงดเว้นจากการพูดคําหยาบ ด, ด้วยแล้วก็งดเว้นจากสัมภาราปากคือการพูดเพ้อเจอด้วยเพราะสิ่งเหล่านี้นําไปสู่อาบายทุกขติวิบัตินรกได้นะนะครับครับครบกลาวบทเนี่ยสรุปก็คือว่าเมื่อกล่าวมุสางดเว้นจากการพูดเท็จแล้วเนี่ยถึงแม้ไม่ได้สมาทานการงดเว้นจากคําพูดส่อเสียดคําหยาเพ้อเจ้วก็ต้องรักษาด้วย เพราะถ้าจะมาทานศีน่าต้องขับเน้นที่กุศลกรรมบทชสิบด้วยนะต้องสมาทานกุศลกรรมบทชสิบควบคู่ไปด้วยเพราะสีน5ากุศลกรรมบทชสิบเนี่ยจะทำให้เราเข้าถึงความบริสุทธิ์ในฐานะเป็นมนุษย์เป็นต้นไดน้ทีนี้มองอย่างนี้แล้วจะได้เข้าใจนะว่าบางท่านบอกเอ้าเราเนี่ยงดเว้นเฉพาะการบูเทสตอนนั้นแหละ แตสอนเสียดําหยาบแล้วเพื่อเจือเหม็นศีนเป็นไรเพราะเราไม่ได้สมาทานและเราไม่ได้สมาทานใช่ไหมบอกว่าอาชีวธรรมกศีนศีลที่มีอาชีวะเป็นที่แปดในชั้นคําสอนนี่ยนะท่านขับเน้นนะในชั้นหลายๆคำพีเนี่ยนะท่านไปเจอนี่นะท่านใช้คําว่านิจจะศีนของคาราวะานิจจะศีลของความเป็นมนุษย์นี่นะก็คือศีลห และอาชีวะธรรมกศีนด้วยศีลที่มีอาชีวะเป็นที่8งดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์งดเว้นจากการพฤตผิดในการมสามเลยใช่ไหมงดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการพูดสอ่อเสียดงดเว้นจากการพูดคำหยาบงดเว้นจากการพูดเพื่อเจอ้าเป็น7นะและ ah ้วก็อาชีวะบริสุทธิ์อีกเป็นแปดก็แ ah ล้วอาชีวะธรรมกศีลศีลที่มีอาชีวะอันนี้เป็นที่8ด อาชีวธรรมกศีลนี่ยถ้าจัดของพระก็อย่างหนึ่งจัดของคารวะก็อย่างหนึ่งเหน็นไหมของพระก็227รเข้อเป็นต้นแล้วก็ยังมีขันทกาวาดัดรมาวัดก็ว่าไปนั่นเป็นข้อาวาดัดแต่อาชีวธรรมกศีลของคาราวะาอยู่ในสุตันอยู่ในสุตตันต์ในเป็นสุตตันตศีลศีลที่มาในพระสุตันตปิฎกเห็นไหมถ้าศีลของเลนศีลของพระนี่เขาเรียกวินยัยศีลศีลที่มาในพระวินยัยปิฎกนั่นคือความต่างกันไง ระหว่างคารวาดกับบรรปะชิตถ้าสมัยก่อนเนี่ยท่านจะแยกเป็นภิกษุภิกษุณีสัมมนเนนสั ม, มนเนรีศิกคามนาแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาใช่ไหมบุคคลเจ็ดจะแยกนี้ยฉะนั้นในกลุ่มของที่จะปฏิบัติตามวินัยศีนก็คือ5้าบุคคลนี้แหละภิกษุภิกษุณีสมมเนนสัม ม, น เ, น ม, มนเนรีแล้วก็ศิกขามนา ผู้ที่เตรียมตัวจะบวชเป็นภิกษุณีทั้งหลายเหล่านี้ถือศีลหอันนั้นมาในวินัยศีลเขาก็มีข้อวัดปฏิบัติของเขาอยู่ซึ่มาในพระวินัยพิดกอย่างนี้ก็แยกส่วนอุบาสกอุบาสิกาก็อยู่ในสุตตันตศีลศีลมาในทีขนิกายเป็นต้นก็ว่าไปนะในชั้นของคขาสอนศีรขันธวะทีนี้เรามองอย่างนี้ก็จะแยกรายละเอียดตรงนี้ไปดูว่าวิรัตีเนี่ยนะ ท่านก็แยกออกเป็น3สมาทานวิรัตสัมปติวิรัตแล้วก็สมุเทเฉทวิรัตท่านในด้านของสัมมาวาจาท่านก็แยกเป็นกถาสัมมาวาจาเจตนาสัมมาวาจาแล้วก็เวรติสัมมาวาจาเดี๋ยวามาจะพูดอย่างรวดเร็วตัวเนี้ยนะถ้ากถาสัมมาวาจาท่านขับเน้นตัวกุศลจิตที่เป็นประธานในการที่จะการกล่าวคําพูดที่ดีและไม่มีโทษ กล่าวคำพูดที่ดีและไม่มีโทษทั้งหลายเหล่านี้ที่เป็นไปกับกุศลนะ่ยเขาเรียกคาถาสัมมาวาจารเช่นกล่าวพระธรรมนี้เป็นต้นถ้าเจตนาสัมมาวาจาร์นี่เอาเจตนาเป็นประธานในการกล่าวเจตนาในการกล่าวอยู่ในชั้นของเจตนาที่เป็นศีลนะ่ยได้ไม่ใช่เจตสิกศีลนี่แหะคือเจตนาศีลเจตนาในการกล่าวคําพูดที่ดีเนี่ยนะในการที่เป็นไปกับความดีงามทั้งหลายเนี่ยอันนี้เป็นไปกับเจตนาเป็นประธาน เป็นการกล่าวดีที่ไม่มีโทษเจตนาที่เป็นไปกับมโนทวารราชนะเจตนาที่เป็นไปกับชาวนาอะไรทั้งหลายเห้ล่านี้ยเจตนาในการที่จิตคิดจะกล่าวในเรื่องที่ดีไม่มีโทษทั้งหลายน่ยกล่าวในเรื่องคุณประโยชน์ทั้งหลายเหล่ า, ลานี้เป็นต้นแต่ถ้าวิรติสัมมาวาจาท่านขับเน้นตัววิรติตัวนี้มาคอยตัดลอนเวราเจตนาอกุศลที่เป็นเห็นการพูดเท็จฉะนั้นถ้ามีเจตนาที่จะพูดเท็จที่ออกมาทางวาจานี่นะ ไอตัวเวรเจตนาเหล่านี้จะถูกตัดรอนด้วยวิรติสัมมาวาจาวิรติก็จะตัดรอนได้ไม่ให้ไม่ให้การพูดเทเ็จเผยออกมาทางวาจาเป่งออกมาทางวาจาได้เลยตัดรอนได้ตัดรอนที่ใจเมื่อบาวกุศลในใจออกมาแล้วเนี่ยนะตัดถูกตัดขาดไปแล้วเนี่ยวาจาที่กล่าวมาก็ไม่กล่าวเท็จทีนี้ยิวเจตนาเวรเจตนาออกุศลที่ไปเห็นการพูดส่อเสียดต้องการจะพูดยุยงให้คนแตกแยกกันเนี่ยนะ ไอตัววิตัววิรตีเนี่ยก็จะมาทํานี้ที่ตัดร้อนแล้วตัดร้อนเลยเวรเจตนาอากุศลที่เป็นเหตุถึงการพูดส่อเสียดตัดรอนที่ใจนั่นแหละก็เมื่อเจอเหตุการณ์เฉพาะหน้าก็ตัดร้อนได้หรืออาศัยจากการดีวิรัตเนี่ยคิดยังไงคิดสองส่วนบางส่วนคิดว่าตนเองสมาทานแล้วการที่จะไปพูดส่อเสียดไม่สมควรกับเราเลยก็ตัดร้อนได้ บางกลุมก็พิจารณาถึงโคตถึงตระกูลถึงวัยถึงการศึกษาถึงความเป็นผู้คงก่อเรียนเอกคงแก่เรียนเป็นต้นมีความลายชัวยว่ววบากขึ้นมาก็ตัดรอนในบัตดนนะั้นอันนี้ก็เป็นสัมปต่ตาวีรัสไปก็แยกให้ออกในรายละเอียดตรงเนี้นะนี่คือศีลประการต่อมาก็คือกรณีาการที่พูดคําหยาบ เ, เ, เจตนาที่เป็นเหตุการพูดคําหยาบวิรติก็ตัดรอนไนดะ้หรือเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการจะพูดเพ้อเจ้อ เล่าเรื่องตลกขนองเล่าเรื่องพระราชาเรื่องบ้านเมืองเรื่องการเมืองเรื่องการต่อสู้กันเรื่องฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายเรื่องการอะไรต่างๆเนี่เล่าไปตามลำับเพื่อให้เกิดสัมผัสพระราชาไปอย่างนะี้ไม่ได้ลงคาสอนอะไรเลยเนะี่ยมางคลเล่าไปตั้งชั่วโมงแล้วเพิ่งนึกได้เพิ่งมาสรุปบอกที่พูดมาทั้งหมดนี้ไม่ดีนะแต่โอ้โหไปจะบ้าแล้วตั้งชั่วโมงแล้วนานและเกินก็จะสรุปลงคําสอนได้ใช่ไหม ท่านให้สรุปลงคําสอนถึงจะไม่เป็นเพลเจอแมบ้บรรดาคนที่มีอาชีพเป็นครูทั้งหลายน่าสงสารกันใช้ปากใช่ไหมต้องใช้ปากพูดทุกวันลองคิดดูสิเอาสิพูดผิดก็เป็นบาปเลยแต่ยังว่าแหละมนุษย์เราพูดอยู่แล้วถึงไม่ได้เป็นครูก็พูดใช่ไหมเจอหน้ากันก็เห็นพูดกันทุกคนฉะนั้นการใช้วัจจีกรรมนี่ใช้ตลอดเลยนะ ลองคิดดูทีถ้าเราไม่รู้ว่าพูดเทศพูดอย่าส่อเสียดคําหยาบแล้วเพื่อเจริเป็นยังไงเนี่ยคิดดูบาปเราจะได้เยอะหมดเลยมีาปากทั้งทีเอามาทําบาปได้ทุกวันเริงคิดดูดีหนึ่งฉะนั้นตรงนี้ก็คือต้องมีต้องเข้าใจในคำว่าวิรัสศีลด้วยนะเจตนาศีนิรัสศีนี่ชัดจะได้ละเว้นบา ป, ปกรรมที่ที่เผยออกมาทางวาจาแล้ง่ายมากเลยไม่ต้องไม่ต้องเดินไปก็ ก, ก็ทำบาปได้นี่นั่งอยู่ที่บ้านอยู่คนเดียวยังทําบาปได้เลย พอแก่ตัวไปนี่นะจะนั่งบนคนเดียวนะต้องระวังนะเนี่ยที่นั่งๆกันอยู่ทั้งหลายเนะี่ยพอแก่ตัวไปเนี่ยเราจะต้องพูดอยู่คนเดียวแล้วแล้วจะทำยังไงเนี่ยแล้วถ้าเรานึกพระธรรมไม่ออกมัาจะพูดอะไร อ, อ่ะก็มีจะพูดกุศลพูดพูดเรื่องอกุศลหมดเลยนึกถึงคําสอนก็นึกไม่ได้จำก็ไม่ได้ฟั่นเฟือนเลือนเลิกหมดแล้วคิดดูจะพูดเรื่องอะไร เราเห็นคนแก่คนเฒ่าไหมล่ะอยู่บ้านก็พูดคนเดียวอย่างนั้นเนแล้วงั้นจะทำไงถ้าชีวิตเราต้องเป็นอย่างนั้นตรงนี้ก็เตรียมตัวไว้เสียเตรียมฝึกสัมมาวาจาเขาไว้นะหนึ่งเจตนาสัมมาวาจาฝึกไว้กถาสัมมาวาจาฝึกไว้แล้วทำวิรัติสัมมาวาจาให้ชัดในกรณีที่ตัดรอนบาปเวรเจตนาที่เป็นบาป ที่จะเผยบาปออกมาทางวาจาวจีกรรมเนี่ยโอ้โหเยอะไหมเราลองขึ้นไปบนรถไปตามถนนนี่คนพูดกันกราดหมดเลยนะแล้วเขาไม่รู้ศีลรรกันลองคิดดูทีว่าเขาจะได้บาปหรือได้บุญเนอะส่วนใหญ่เขาจะได้บาปหรือได้บุญเนี่ยนะนะเขาไม่รู้นี่ว่าศีลเป็นอย่างไรเจตนาศีลเป็นยังไงเจตสิกศีลเป็นยังไงสังวรศีลเป็นอย่างไ ร, ร อ, ไร ว, อ, ร อ, ไรอวิติกรมรมศีลการไม่ก้าวล่วงบาปกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรลองคิดดูที ถ้าเขาเกิดมาอายุห้าสิบปีก็ลองเอาห้าสิบไปคูณสามร้อยหกสิบห้าวันหนึ่งว่าเขาเขาพูดกี่คำเขาพูดกี่คาบางคำก็สำเร็จเป็นกรรมมาบทนะสิล่วงละเมิดกรรมมาบดเนยะแล้วใครจะเป็นผู้รับกรรมนั้นกระแสะชีวิตของเราที่จะต้องเกิดในการต่อไปเป็นผู้รับกรรมนะ ใช่เป็นผู้รับกรรมนะฉะนั้นตรงนี้ไอนเรื่องเรื่องคําพูดเนี่ยเห็นไหมถ้าทางด้านกายกรรมมีสามเนาะวิจีกรรมมีสี่เลยพูดเท็จส่อเสียดคําหยาบเพื่อเจร่ต้องคิดดูทีเนี่ยฉะนั้นจะต้องใช้วิรติคอยตรวจสอบตลอดในทุกทั้งสี่ทั้งสี่เรื่องเนี่ยต้องคอยตัดรอดในเวรเจตนา น, นี่นะเป็นเหตุแห่งการพูดเท็จก็มี ไอ้เจตนาเป็นเหตุนการพูดส่อเสียดก็มีไอ้เจตนาเป็นเหตุนการพูดเพ้อเจ้อคำหยาบที่อย่างเนี้ยลองคิดดูที่วันวันหนึ่งอะถ้าไม่ระมัดระวังมันก็พุ่งตลอดเวลาเลยาปากก็พุ่งออกตลอดเวลาเลยก็เผยบาปบาปออกมาตลอดเลยใช่ไหมไอ้เจตนาที่เป็นบาปก็กระตุ้นข้างในพูดใหญ่เลยทีเนี้ยพูดต้องคิดดูน่า ก, กลัวมากเลยบาปมันไหลเป็นน้ําไหลเลยนะทีเนี้ย เพิ่มๆที่นอนหลับยังละเมอพูดเนยบางคนละเมอพูดเลยพูดด่าคนนั้นด่าคนนี้ก็มีเหตเห็นมหมนั่นแหละขนาดนั้นเลยนะชาวนะที่มันเคยฝันแน่นในเวลากลางวันนี่เนะมันก็กระตุ้นแล้วกระตุ้นให้ฝันเฝันแล้วพูดออกมาเอามาเคยอีกครั้งหนึ่งนะ <c oughs> นอนกันเน้นเนี่ยพอดีเน้นบทใหม่ก็นอนก็พักนอนด้วยแล้วก็ต้องคอยสังเกตเลยไหมเน้นนอนอยู่เน้นพักนอนอยู่ แล้วเขาละเมอเนะเออเด็กเด็กนี่เขาจะละเมอแบบประเภทที่ละเมอแบบประเภทที่ถ้าเขาไปเล่นอะไรมาสนุกสนุกเนี่ยเข้ามาก็จะมาพูดพูดเคอเจอไปทั่วแล้วแล้ ว, ลวามานั่งลุกมองดูอ๋อเออเป็นอย่างนี้นะเนี่ยเขาไม่ได้มรมัดระวังในการนอนเป็นอย่างนี้เออฉะนั้นเวลาตั ว, วละก่อนจะนอนเนี่ยเขาไม่ได้สํารวมระวังเลยเลยใช่ไหมเด็กเนี่ยต่อไปก็ต้องบอกเขา ต้องฝึกให้เขาเออต้อง ม, ามานัสิการในการสวดมนต์ไหว้พระยังไงบางทีต้องถามเข้อนี้บอกน้นเวลาจะนอนนี่ต้องสวดมนต์อย่างนี้ต้องระลึกอย่างนี้ต้องใไถ่วัวอย่างนี้บอกเขาก็าบอกเอิญบางทีต้องเปรียบเทียบเขาหนักๆมันนีนก็เห็นสุ น, นัขมันนอนไหมอย <c oughs> ่นี้เขาบอกเห็นมันทําไงรู้มหมมันก uh ็ค uh ุยๆเบียเสร็จแล้วม uh ันก็ม้วนต uh uh ัวก็ลงนอนอ้า uh วถ้าเราถ้าเราถ้าเรานอนเหมือนสุนัขใช่ไหม เออถ้าเรานอนแบบนั้นเราก็ไม่ต่างอะไรกับมันเลยนะเข<ม>าเคยสวดมนต์ว้พระก่อนนอนไหมไม่เคยเลยสมาทานศีลไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมเนี่ยงไงตรงนี้ก็คือถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่าเจตสิกศีลที่เป็นส่วนของสัมมาวาจามีคาถาสัมมาวาจาวิรัติสัมมาวาจาแล้วเอเอคาถาเจตนาสัมมาวาจาแล้วก็วิรัติสัมมาวาจาอันนี้เป็นใบกุศลนะวิรัตินี่เป็นตัวตัดรอนเป็นตัวตัดรอน ส่วนทางกายกรรมสมากรรมตะสมากรรมตะมีกิริยาสมากรรมตะเจตนาสมมากรรมตะแล้วก็วิรัติสมมากรรมตะกิริยาสมากรรมตะเป็นกิริยานะเป็นกายกรรมที่นั่นออกมาแต่เป็นไปกับกุศลเหมือนกันเออเป็นไปกับกุศลเหมือนกันส่วนเจตนาสัมมากรรมตะนั้นท่านขับเน้นตัวเจตนาขับเน้นตัวเจตนา จะนั่นตัวเจตนาที่จะเป็นไปกับการอันนี้เป็นศีลกันเนะี่ะที่จะเป็นไปกับกุศลก็เป็นศีลได้แต่ถ้าจะเป็นไปในส่วนที่ไม่ได้งดเว้นจากบาปทางกายทางวาจาทาั้งหลายนั้นก็ว่าเพิ่มอย่างแต่ที่ขับเน้นก็คือว่าวิรติสัมมากัมมันตะวิรติสัมมากัมมันตานี้เป็นคอยตัดรอนเวรเจตนากุศลที่เป็นเหตุแห่งการฆ่าเวรเจตนากุศลที่เป็นเหตุแห่งการลักทรัพย์ เวราเจตนาก็สที่เป็นเหตุแห่งการประพฤติผิดในกรรมตัววิรติสัมมากัมมันตจะคอยตัดรอนเนี่ยนะจิตที่คิดจากฆ่าสัตว์จิตที่คิดจากลักทรัพย์จิตที่คิดจากประพฤติผิดในกรรมทั้งหลายไม่ให้กายกรรมวจีก็ไม่ให้กายกรรมทั้งหลายเหล่านี้เผยบาปออกมาทางกายแล้วอันนี้ก็เรียกตัดรอนเวราเจตนาได้เลยที่ที่ที่ใจได้วิรติตัวนี้ตัดได้ส่วนวิริยะนะ อาชีวะเนี่ยนะสัมมาอาชีวะแยกเป็น2เป็นวิริยะสัมมากรรมันตากับวิรติสัมมากรรมันตากถ้าวิริยะสัมมากรรมันตะอันนั้นเอาวิริยะเป็นประธานในกรณีอย่งการแสวงหาทรัพย์ในการที่จะประกอบอาชีพทั้งหลายเหล่านี้นั่นเป็นวิริยะสัมมากรรมันตะก็จะไปเชื่อมโยงกับอาชีวะปริสุทธิศีล น, นั่นแหละตัววิริยะนั่นแหละมาเป็นประธาน ที่เป็นไปกับกุศลที่เป็นไปที่ไม่มีโทษเป็นการแสวงหาอย่างถูกต้องแต่เมื่อจิตคิดจากจิตคิดจากการแสวงหาหรือจากการเลี้ยงชีพที่ผิดขึ้นมาเวลาใด น, นะเช่นตะเพระก็คือกูราทูสกะ ป, ะปะทุศรายตะกูลบ้างมีการประพฤติผิดในกรณีการที่จะเอาลาบต่อลาบอะไรทั้งหลายเหล่านี้เนี่ หรือจะเป็นการประพฤติปฏิบัติเพื่อเพื่อต้องการปัจจัยทั้งหลายที่จะได้มาด้วยด้วยจิตที่เป็นบาป ท, ทั้งหลายแล้วก็ไปแสวงหาเงี้ยกรณีอย่างนี้ก็คือเวลเจตนาเหล่านี้เกิดขึ้นในใจแล้วที่เป็นเหตุแห่งการเลี้ยงชีพที่ผิดพลาดทั้งหลายตัววิริยรติสัมมาชีวะก็จะตัดรอนกายทุจริตตัดรอนวจีทุจริตที่เกิดขึ้นในขณะ เลี้ยงชีพบทั้งหลายนะี่ไม่ให้การเลี้ยงชีพที่ผิดพลาดนะี่เกิดขึ้นมาเห็นไหเนี่ยที่จะเกื้ อ, อกูลกันองนี้เวริยะในการวิริยะนั้นเกิดขึ้นในกรณีการยังรู ป, ปรกายทั้งหลายนี่การจักรกายทั้งหลายเป็นต้นให้มีความเพียรพยายามในการที่จะสแสวงหาทรัพย์ตัววิรติสัมมาอาชีวะก็คอยตัดรอนบาปทางกายทางวาจาในกรณีการเลี้ยงชีพให้บริสุทธิ์ให้ใจที่เป็นไปกับบาปนั้นถูกตัดรอนไปอย่างนี้เป็นต้นส่วนอโลภาอะโทสะตรงนี้ขยกนิทานประกอบนี่นะ ในด้านของนิทานของในเรื่องของสัมป ต, ตาวิรัตกับสมาทานวิรัตถ้าสัมป ต, ตาวิรัตท่านก็ยกนายจากกันนะเนี่ยตรงนี้ก็ยกมาก็ชัดเจนเลยที่ว่าชายหนุ่มที่อาศัยอยู่กับมารดาต่อมาแ ม, ม่นดาก็เกิดโรกคนระับแล้วก็ีพี่ชายก็บอกให้ไปหาเนื้อกระต่ายนั่นแหละที่ส่วนจริงก็ไป พอไปเบสเสร็จก็ไปเจอไอ้กับที่ดักกระต่ายแล้วที่ดักดักกระต่ายไว้ตัวเองก็มาพิจารณาว่าเออเราเนี่ยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยทําชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงเลยการที่จะมาฆ่ากระต่ายเพื่อเหตุแก่มารดาจึงไม่สมควรกับเราเลยก็เลยปล่อยกระต่ายไปไอ้จิตที่คิดสละแล้วปล่อยไปในกรณีนี้ mm hmm. เขาเรียกว่าส้ำประตาวิรัสอย่างนี้นะส้ำประตาวิรัสอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าไม่ได้สมาทานไว้ ไม่ได้มีเจตนาในการที่จะงดเว้นไว้แต่มาพิจารณาถึงชาติถึงตระกูลเป็นต้นเหล่านี้ไม่สมควรสําหรับเราเลยที่จะมาทำลายชีวิตสัตว์อื่นเป็นต้นเนี้ยแลกกับชีวิตเป็นต้นเนี้ยก็เลยปล่อยนะนี่กรณีเงี้ยกรณีในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าเขาเรียกว่าสัมปัตตวิรัติสมาทานวิรัตคือวิรัตที่เกิดแก่ผู้สมาทานศีขาบทเนี่ยนี่ผู้ยอมสละแม้แต่ชีวิตของตนไม่ก้าวล่วงนี่นะ วัตถุในเวลาสมาทานสิกขาบทนี่เป็นการงดเว้นด้วยการสมาทานอย่างนี้ก็เรียกสมาทานวิรัตตรงนี้ท่านจะยกตัวอย่างอุบาสกท่านหนึ่งที่ในสำนักของท่านปิงคระพุทธเจา้าคือชาวอัมพิยาวิหารเนี่ยไปไถนาในเด้งต่อมาโค้งเขาก็หายไปเนี่ยก็ตามหาขึ้นไปสู่ภูเขาอุตระวัฒนะมานะในขณะนั้นงูใหญ่ก็รัดเขา้าไงรัดอุบาสกท่านเนี้ยพองูใหญ่รัดปุ๊บขึ้นมาก็ ตนเองมีมีดไปด้วยก็ดึงมีดออกจากที่เน็บไปเนี่ยนะก็ทําท่าจะตัดศีษางูเพราะจับจับศีษางูไว้เงี้ยแล้วก็จะตัดแล้วก็มานึกได้ว่าตนเองเนี่ยสมาทานสิกขาบทจากพระเถระที่จากที่มีศีลเป็นที่ยินดีทั้งหลายเนี่ยฉะนั้นการกระทําชั่วเช่นนี้ไม่สมควรกับเราเลยใช่ไหมและอย่างหนึ่งก็คือว่าก็มาพิจารณาบอกว่ายอมสละชีวิตไง ย, ยอมสละชีวิต ถ้าเราทำลายเสียก็ไม่สมควรนะคันคิดอย่างนี้แล้วเนะก็ตัดสินใจว่าเราจะสละชีวิตแต่จกไม่ยอมสละศีขับบทก็คือจะไม่ยอมสละศีลแล้วถ้าอย่างเราถ้างูใหญ่รัดตัวอย่างนั้นเราจะสละชีวิตหรือสละศีลนะสละชีวิตหรือสละศีลไม่ต้องงูใหญ่ละมัง้ง เอาวันอโบสถหมอบอกว่าต้องให้กินข้าวนะถ้าไม่กินเดี๋ยวกระเพาะพังอไม่ต้องชีวิตแต่ อ, อย่างเงี้ยจะเอากระเพาะหรือเอาศีลเอากระเพาะไว้เรือเอาศีลวะน่าชื่นใจยังมีศีลได้ยินบ้างนอกนั้นยังหัวเราะหึ่งในใจเลยนะเห็นไหมตอนนี้เราอาจจะยังไม่เห็นอา น, นิสงส์ของศีลเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะแล้ว แล้วต่อไปเราจะรู้ว่าศีลสำคัญกว่าศีลสำคัญกว่าทรัพย์ศีลสำ ค, คัญกว่าญาติศีลสำคัญกว่าอวัยวะและศีลสำคัญกว่าชีวิตแต่ตอนนี้พูดเรายังไม่ค่อยเชื่อหรอกเพราะใจไม่ใจไม่เคยทำมาใช่ไหมและยังไม่เคยเห็นเหตุเห็นผลจริงๆอ่ะบางคนเนี่ย เอาไปตรงบางคนไปยกบางคนเดี๋ยวกระทบคนอื่นยกตัวมาเองดีกว่าก็ามาบวชมาเนี่ยสองสามปีแรกเนี่ยเป็นผู้สําคัญตนเองว่ามีศีลเท่านั้นนะ่ะสองสามปีสี่ปีห้าปีสําคัญว่ามีศีลแต่จริงๆแล้วเจริญศีลไม่เป็นเไม่เป็นเรื่องแปลกเลยนะสําคัญว่าเราเป็นพระสําคัญว่าเรามีศีลมีจิตสํานึกอยู่อย่างนี้แหละ แต่เอาศีลมาเจริญไม่ได้แล้วต้องถามเจาะพวกเราไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะรู้ว่าแล้วเราอยู่ในข่ายอย่างไรมาหรือเปล่าก็ามาเนี่ยเข้ามาในศ า, าสนาอยู่กับคำภีร์อยู่กับคําสอนอยู่กับครูบาอาจารย์ด้วยแล้วทําไมทั้ง3าี่ปีออกมาเจริญศีลไม่ได้แต่เพียงมีความสําคัญว่าเราเป็นพระเรามีศีลเท่านั้นเองแล้วรักษาตามเขาไม่รักษาดูแลไม่ดูแล แต่ศีลไม่เจริญเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นได้จริงได้ต่อเนื่องจริงๆอ่ะเพราะยังเป็นคนขี้กอดอยู่เรื่อยอันนี้ดูไปเรื่อยๆจะเริ่มเห็นว่าเพราะศีลเนี่ยจะต้องขจัดเห็นไหมเป็นปฏิบัติต่อโทษานี่โทษาเป็นปฏิบัติต่อศีลเป็นตัวตัดตัดรากของศีลเอาสิถ้าเรายังเป็นคนขี้งดเหยียดใจน้อยโทษาอยู่เนี่ยแล้วศีลมันเดินตอนไหนอ่ะ หรืเดินตอนหลับศีลในที่นี้ครับเน้นกุศลศีล น, นะไม่ขับเน้นอภิญญากตาศีลไม่ได้ขับเน้นผวังด้วยฉะนั้นถ้าจิตขึ้นสู่ชวนะต้องเป็นกุศลใช่ไหมกุศลศีลมันถึงจะเดินได้จริงแล้วมันต้องเกิดจากข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องด้วยมึงจะทํำให้กุศลศีลนี่เกิดได้จริงๆนะไม่ใช่แค่ไปสมาทานกับพร้เบียเศษกลับมาก็บอกว่าเออเนี่ยวันนี้เราไปสมาทานศีลมา รักษาอยู่ข้อเดียวข้อไม่กินอาหารในเวลาวิการห่วงก็จังข้อเนี้นี่ก็อื่นไปเป็นแถวเป็นแนวหมดพอเบสเสร็จนินทาก็ต้องในเช้าจัดเย็นเคยได้ยนินขอไปนะเอาเป็นไหมล่ะเคยเห็นไหมล่ะจับลุ่มนินทากันอยู่นั่นแหละแล้วเป็นไงอย่าเงี้ยกา ร, รักษาศีลอยู่ข้อเดียวบางทียุงก็ขอแอบไปตอบเั็นหนูใช่ไหมเอาสิตอนนี้ของเพื่อนก็หยิบด้วย แล้วมาบอกที่หลังด้วยเนี่ยไม่ค่อยระมัดระวังด้วยทีเนี้ยนะเลยเหลืออยู่ไม่กี่ข้อเลยทียนี้ยแต่ข้อที่ไม่กินไม่กินข้าวในยาวิการเนี่ยสินแปดโอ้โหถือเงนเข่งดีจังคอยดูมองราิกาตาขมิ้งบอกโอ้โเนี่ยวันนี้รักษาศีนนี่จะประกาศบอกคนอื่นด้วยเนี่ยนะ <c oughs> เป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ก็ต้องไปดูนะรายละเอียดว่าสินมันเจริญจริงหรือเปล่านึกวามนมีแค่รูปแบบ ศีลดัวเจตนาศีลตัวเจตสิตศกศีนคือความไม่โลภความไม่โกรธและปัญญาใช่ไหมแล้วก็สัมมาวาจาสัมมากรรมตาสัมมาชีวะเอาสิท่าตัวเป็นเจตสิกทำทั้งนี้เหล่านี้ทั้งนั้นแหละที่จะไปขับเน้นให้เกิดขึ้นในใจได้จริงแล้วมาจัดสรรกายกรรมวิจีกรรมไม่ให้กระจัดกระจายไม่ให้เกลื่อนกล่นด้วยการฆ่าด้วยการรักด้วยการประพฤติผิดในกรรมด้วยการไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดคําหยาบและเพ้อเจ้อใช่ไหมปิดบาปทางกายทางวาจาได้จริงนะ แล้วทางใจก็บาปก็ไม่เข้าด้วยนะกรณีศีลเป็นอย่างนั้นคนรักษาศีลใจต้องเป็นไปกับเมตตาด้วยใช่ไหมอันนี้ก็ไปขับเน้นไปพิจารณาดูก็จะเห็นแล้ว